ธรรมเทศนาแผ่นที่54ลำดับที่12โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมเมื่อวันที่21เมษายน2556ก่อนพิธีอุปสมบทมูภาคฤดูร้อนมีชื่อเรื่องว่าทายาทพระพุท ธ, ธศาสนา นานทีจะได้บวชพระถึงสี่ห้าหกสิบรูปก็เคยมีอยู่แต่คราวนี้ก็บวชพระทั้งสามสิบรูปก็นับว่าเป็นขั้นมากแล้วก็การบวชในคราวนี้เป็นการบวชตามโครงการบรรพชาอุปสมบทมูภาคฤดูร้อนประจำปีพุทธศักราชสอง6ันห้าร้อยห้าสิบหก อย่างที่หลวงพ่อได้พูดเมื่อเช้านี้เป็นชมรมพุทธศาสตร์เป็นการปฏิบัติธรรมของชมรมเจ็ดสถาบันโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ภาคฤ ด, ดูร้อนไปจำปีพุทธศักราช2556 นาวัดป่านาคำน้อยตํบาบลบ้านก้องอําเภอนาอยูจังหวัดรดธานี12เมษายนเป็นวันนาดเข้ามาและอุปสมบทวันที่21เมษาจะลาสิขาวันที่20พฤษภาเ<ม>นะี่ยบอกกําหนดไว้เลยนะจากเจ็ดมหาวิทยาลัยคือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิาทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชพัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยมหาสารคามแต่ไม่รู้ว่าแต่ละ ส, สถาบันนี้มากน้อยแค่ไหนหลวงพ่อก็ไม่ทราบอีกเหมือนกันแต่ถึงอย่างไงก็นี่แหละเป็นโครงการของอุปสมบทหมู่สำหรับบวชนกภาคตะลุร้อน แต่หลวงพ่อเห็นว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์เพราะโดยมากมีแต่เห็นแต่พวกหนุ่มนักศึกษาที่เข้ามาแต่ก็มีผู้สูงอายุอยู่บ้างผู้ที่ทำทาการทำงานก็มีอยู่แต่กับผู้ที่เข้ามาบวชที่เป็นนาคของหลวงพ่อก็มีอยู่สองสานาคมัง้งจากนั้นก็เป็นนาคของทางสมรมที่เข้ามา แต่การบวชในคราวนี้จะเป็นการบวชที่มีความหมายอย่างยิ่งเพื่อจันรงพระพุทธศาสน า, าให้อยู่นานเท่านานถ้า่าพวกเราไม่บวชลูกหลานไม่สืบทอดพระพุทธศาสน า, าเอาไว้พระพุทธศาสน า, าจะยืนยาวไปสักเท่าไหร่เพราะนั้นการเข้ามาบวชในคราวนี้ถือว่าสำคัญอย่างยิ่งสมัยเมื่อพระเจ้า อโศกที่หลวงพ่อเคยยกเกือบทุกครั้งที่ผู้บวชมามากๆพระญาธรรมโศกที่สั้นสร้างถาวรวัตถุไว้ในพระพุทธศาสนาประเทศอินเดียถ้าพวกเราเคยไปประเทศอินเดียจะเห็นเสาหัวสิงห์หลักศิลาจารึกเรื่องว่าสถูกสถูปต่างๆในประเทศอินเดียมีหลายแห่งมีหลายสถานที่ คือพระยาธรรมโ ส, สมัยนั้นท่านเรืองอำนาจเป็นผู้มีอำนาจเต็มปกครองประเทศอินเดียเกือบทั้งหมดจากนั้นท่านก็ได้นับถือพระพุทธศาสนาท่านก็ได้ประกาศให้ผู้คนทั้งหลายผู้ที่อยาจะสร้างสถูปละเสดีเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาทั้งประกาศให้สร้างได้ครบแปดหมื่นสี่พันสสถูป หรือ 84% ดหมืพอย่างใครจะสร้างอะไรก็ได้แต่ให้เป็นเครื่องพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาแปดห่นสี่พัชิ้นลักษณะอย่างนั้นอ่ะตอนนี้พอสร้างเสร็จแล้วก็มีการจัดฉลองพร้อมกันฉลองที่ได้สร้างเสร็จแล้วนั้นฉลองทั้งเมืองเลยทีนี้ก็เมื่อฉลองเสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่านพญาธรรมโศกก็เข้าไปประทานเข้าไปกราบประทานสงประทานสงก็คงจะเป็นสมเด็จพระสังฆราชอย่างทุกวันนี้ก็คงจะเป็นสมเด็จพระสังฆราชแต่เมื่อพระเจ้าธรรมโศกสร้างสมัยนั้นพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าปรินิพานไปเพียงสามร้อยปีพระหั น, นตสาวกก็ยังมีมากอยู่ในยุคสมัยนั้นแต่นี้พญาธรรมโศกก็เข้าไปกราบ พระมหาเถระที่เป็นประธานสงฆ์บอกว่าข้าพระองค์ได้สร้างทาวรวัตถุไว้ในพระพุทธศาสนาเนี่8แปดหมสี่พันอย่างแปดหมืนสี่พันชิ้นแปดหมืนสี่พันอันกับผมจะจัดว่าเป็นทายาท จ, จะจัดว่าเป็นทายาทพระพุทธศาสนาได้หรือยังครับผมพระมหาเถระท่านตอบว่าอย่างมหาบพิต อันนี้เป็นเพียงแต่พุทธศาสนูประถมพกเป็นผู้บำรุงพระพุทธศาสนาเท่านั้นยังไม่ใช่ทายาทพญาธรรมโศกก็ถามว่าถ้าจะให้เป็นทายาทนั้นจะทำยังไงครับผมพระเถระตอบว่าถ้าจะจะให้เป็นทายาทต้องเอาลูก<อ>ชายและลูกสาวลูกชายก็บวชเป็นพระภิกษุ ลูกสาวก็เป็นบวชบวชเป็นภิกษุณีเพราะภิกษุณียังมีอยู่ในยุคสมัยนั้นถ้าหากว่าเอาลูกบวชไว้ในพระพุทธศาสนาจึงจะจัดว่าเป็นทายาทเพราะได้เอาเลือดเนื้อเชื้อไขของตัวเองไว้ในพระพุทธศาสนาจะจัดว่าเป็นทายาทแต่ถ้าหากว่ามีแต่หาถาวรวัตถุจตุปปัจจัยไตรยธรรมทั้งหลายปัจจัยสีทั้งหลายถวายไว้ในพระพุทธศาสนา อันนั้นเป็นเพียงแต่ว่าสาสนาประถมพกเป็นผู้บำรุงพระพุทธศาสนายัางไม่จัดว่าเป็นทายาติจากนั้นพระญาธรรมโศกท่านก็มองไปเห็นพระมหินที่เป็นลูกชายพระญาธรรมโศกท่านก็ถามว่ามหินบวชให้พ่อได้ไหมลูกพระมหินก็ยินดีบวชได้ครับพ่อจากนั้นท่านก็มองไปเห็นนางสังฆมิตาอีกสังฆมิตาบวชให้พ่อได้ไหมลูกได้พ่อ วันในสูกเ็เลยบวชบวชลูกชายกขาลูกสาวแต่จากนั้นลูกชายของท่านกบับวชเป็นพอบวชเป็นพระภิกษุแล้วก็ไม่นานท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระอระหันต์นางสังฆมิตาก็เหมือนกันบวชมาแล้วไม่นานนางก็ได้สำเร็จเป็นพระรอรหันต์จากนั้นท่านก็ส่งมาสีลังกาเนี่ยคือพระเขี้ยวแก้วเอาต้นโพมาด้วยเนี่นี่แหละสีลังกาเนี่ยคือได้รับอิทธิพลสมัยพญาธรรมโศกที่ท่าน มาสร้างศีลังกาก็คือพระมหินกับนางสังคมิตาเนี่แหละเป็นต้นเรื่องต้นเาขาทั้งหมดที่นำพระพุทธศาสนามาประเทศปฏิสถ า, านที่ประสีลังกาเนี่แหละอันนี้เรามาพิจารณาดูแล้วว่าทายาทคำนี้เนี่ยพระมหาเถรท่านบอกว่าผู้ที่ได้ถวายปัจจัยสี่ บำลุงพระพุทธศาสนาดันั้นจัดว่าเป็นศาสนาปถะมพกแต่ถ้าว่าผู้ที่นำลูกหลานเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นทายาทเพราะนั้นพวกเราวันนี้ตระกูลของพวกเรานามสกุลของพวกเราได้นำลูกหลานเข้ามาบวชไว้ในพระพุทธศาสนาก็จัดว่าเป็นทายาทของพระพุทธศาสนาอย่างใกล้ชิดเพราะว่าพวกเราได้นำตระกูลของพวกเรานามสกุลของพวกเรา เลือดเนื้อเชื้อไขของพวกเราตระกูลของเราได้เข้ามาฝากไว้ในพระพุทธศาสนาพอเห็นนั้นเวลาเมื่อเราบวชเสร็จแล้วพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรก็ขอให้พวกเราน้อมจอิตุทิศส่วนกุศลถึงบรรพชนของพวกเราคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติมิตรสหายที่พวกเรารักเคารพนับถือถ้าว่าดวงวิญญาณท่านเหล่านั้น อยู่น่าจตหันที่ใดตกทุกข์ได้ยากอย่างไรก็ขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากพวกเราท่านทั้งหลายแต่ถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายเหล่านั้นมีความสุขอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปแต่ถ้าว่าท่านพ่อแม่ปู่ย่าตายายของพวกเราแต่ยังมีชีวิตอยู่ก็ขอให้เจริญยิ่งด้วยอายุวันณนะสุขะภาละสุขภาพกายสุขภาพจิตให้แข้มแข็ง ให้มีแต่ความสุขความเจริญทั้งคดีโลกและคดีธรรมเพราะนั้นเวลาเราบวชแล้วพระที่บวชก็เหมือนกันพอเราบวชเข้ามาแล้วไม่ใช่ว่าจักแต่ว่าบวชเห็นตัวอย่างไม่อย่างพระมหินกนางสังฆมิตราย่างที่หลวงพ่อได้พูดพอท่านบวชเข้ามาแล้วท่านก็เป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินท่านก็ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติจริงจั ง, จ, งจนได้สําเร็จเป็นพระอาหารหันต์จากนั้นก็ได้นํา พระพุทธศาสนาไปประดิษฐานที่ศีลังกาจนเป็นประวัติศาสตร์มาจนถึงทุกวันนี้เพราะนั้นพวกเราลูกหลานทั้งหลายเข้ามาบวชในพุทธศาสนาในครั้งนี้ก็เหมือนกันพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายมอบความไว้วังใจสาหรับเราเข้ามาบวชแล้วให้พวกเราตั้งอกตั้งใจเป็นผู้มุ่งมั่นเป็นผู้ตั้งใจจริงเป็นผู้รักษาศีลไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนา ตามแนวแถวที่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือตามแนวแถวเขของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นที่พวกเรารักเคารพนับถือให้ปฏิบัติตามท่านแนะนําสั่งสอนอย่างไรให้พวกเราปฏิบัติตามนั้นให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมถ้าว่าพวกเราอยู่ในกรอบของศีลธรรมแล้วพวกเราก็จะเป็นสากยบุตรพุทธชินนรส เป็นศากยบุตรเป็นบุตรของพระพุทธเจ้ <Evet. S 2> าอ่าสักยบุตรพระพุทธเจ้าเป็นศากกายอ่าเป็นชาวชากยะพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นผูดด้ใดก็ตามถ้าว่าเข้ามาบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าถ้าปฏิบัติตามทำคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วท่านรับก็บเป็นลูกของท่านเป็นว่าสากยบุตรสักกยบุตรพุทธชินโอรสเป็นโอรสและเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นขอให้พวกเรา ลูกหลานทั้งหลายที่เขามาบวชเขตั้งอกตั้งใจเป็นผู้รักษาศีลเป็นผู้จงรักภักดีอ่ อ, อนน้อมถ่อมตนต่อหลักพระธรรมวินยัยพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านตรัสท่านบอกไว้อย่างไรถ้าเรารู้แล้วอย่าฝืนทำในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องแต่พวกเราทำตามธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะเป็นศักยบุตรที่แท้จริง แต่ถ้าหาว่าเราไม่ปฏิบัติตามธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงเราจะเป็นบุตรเนีแต่ยูนิฟอร์มคือสีรษะเดบผ้าเหลืองผมร่างกายแต่ใจของเราไม่ได้บวชอันนั้นท่านว่าถ้าจะว่าไปแล้วก็เป็นบุตรที่นอกครอบเป็นบุตรที่ไม่อยู่ในโอวาทเป็นบุตรที่ไม่ดีของพ่อแม่เพราะนั้นพวกเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นคือคือเราบวชมาทั้งทีก่อน รู้อย่แล้วเราจะบวชนานเท่าไหร่ก็ควรจะปฏิบัติตนให้เรียบร้อยให้เป็นผู้มีศีลเมื่อเราปฏิบัติดีเรียบร้อยเป็นผู้มีศีลสั่งสมคุณงามความดีแต่ละวีแต่ละวันจนถึงวันลาสิกขาบุญกุศลที่พวกเราได้รับเราก็จะได้ส่งให้พ่อให้แม่ปู่ย่าตายายของพวกเราเพราะเรารักษาศีลบริสุทธิ์ รักษากายวายจาของเราและกา ร, รในใจของเราก็ปฏิบัติทำในจิตในใจด้วยแต่ถ้าว่าพวกเราเข้ามาบวชแล้วไม่ได้ใส่ใจไม่เชื่ออีกต่างหากเห็นหมูบวชก็บวชไปอย่างนั้นหละอพอบวชเข้ามาแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจก็เหมือนพวกเราไปทำมาค้าขายตะกรันเรียกแรกเข้าไปค้าขายซาอุเนี่ยซาอุดิอารเบียนคนไป เมืองซาอุก็ไปคล้ายๆว่าไปทำมาค้าขายไปขุดทองใใครกลับมาจากซาอูแล้วก็ร่ำรวยเกือบทุกคนเพราะหเพราะว่าไปทำงานต่างประเทศแล้วก็ไปกเก็บหอมรอมริบจากนั้นเขามากะสร้างเนื้อสร้างตัวได้อันนั้นคือไปทำมาค้าขายอันนี้ก็เหมือนกันพวกเราถ้าหากว่าเรามาทำมาค้าขายในพุทธศาสนาเข้ามาสู่วัดอย่างนี้แหละเข้ามารักษาศีลไหวพระสวดมนต์นั่งภาวนา ก็เหมือนพวกเราเข้ามาขุดทองเข้ามาสร้างคุณงามความดีอย่างนั้นพ่อแม่ของเราก็ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลปู่ย่าตายายก็ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลแต่ถ้าว่าพวกเราเข้ามาแล้วไม่ทั้งอกตั้งใจะเลทะเลาะ L, ไปเรื่อยเหมือนกับเราไปเมืองแขกไปก็ไปต้มเหล้ากินเหล้าเขาไม่เคยกินเหล้าเขาก็จับเข้าคุกเขียนหลังซะผลี่สุดเงินก็ไม่ได้ หน้าทางนี้ก็จะถูกยดอีกต่างหากเพราะเห็นไรเพราะว่าเราทาตัวไม่ดีเพราะนั้นขอฝากไว้กับลูกหลานทุกองค์เหมือนกันที่เขามาบวชในพระพุทธศาสนาให้เป็นผู้ตั้งอกตั้งใจให้รักษาศีลภาวนาให้ปฏิบัติตามธรรมคำสอนที่ครูบาอาจารย์ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาบอกกล่าวไว้แล้วแล้วก็ขอให้พวกเราทุกท่านคณะศรัทธา ญ, ญาติโยมเหมือนกันนะั้น่ะ เวลาพวกเราจะมาเยี่ยมพระใหม่หลวงพ่อไม่ให้มาเยี่ยมบ่อยนะ่ไม่จําเป็นไม่ต้องมาถ้ามาเพราะว่าเดือนเดียวท่านเองถ้ามาหลวลงพ่อจะให้มาคุยกันพูดกันที่ศาลานะจะไม่ไปกุฏิแต่วันนี้พวกเราอยากจะไปดูกุฏิพระใหม่จะไปชมกุฏิพระใหม่ก็ไปได้นะแต่ถ้าว่าวันต่อไปจะไม่เข้าไปนะเพราะว่าวัดของเราต้องการความสงบและอีกอย่างหนึ่ง หลวงพ่อขอบอกกล่าวอีกถ้ า, าว่าพระใหม่ต้องการความบริสุทธิ์ในศีลธรรมหรือในพระบินัยเรื่องโทรศัพท์หลวงพ่อไม่อยากจะให้ใช้เพราะพระใหม่ถ้ า, าว่าใช้โทรศัพท์แล้วพูดออกไปนอกลูกนอกทางจะทําให้ศีลและวินยัยด่างพร้อยหรืออาจจะผิดวินยัยอย่างมากก็ได้อย่างเพิกสุในพระบินัยท่านบอกไว้ว่าเภิกษุ มีความกำหนัดอยู่พูดเกี้ยวหญิงต้องสังคาที่เศษมันรองจากอาบับดับหนักใอ้ว่าพูดเกี่ยวหญิงคำนี้พวกพระใหม่ก็คงไม่รู้คาว่าเกี่ยวนั่นคืออะไรลาเกี้ยวพาลาศีนคืออะไรถ้าว่าเป็นหญิงนั่นคืออะไรเพราะนั้นมันมีเรื่องสลับซับซ้อนมากถ้าว่าหยุดได้ในเดือนหนึ่งหยุดติดต่อกับใครทั้งหมดตั้งอกตั้งใจประพฤติธปฏิบัติธรรม หลวงพ่อว่าจะเลิศประเสริฐกว่าแต่ถ้าว่าพวกเรายังมุ่งหวังทางโลกอยู่ยังติดพันกับทางโลกอยู่พวกท่านทั้งหลายก็จะมัวหมองไปโดยไม่รู้สึกตัวแต่ถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายอยากจะให้ศีลเล็บวินัยของท่านบริสุทธิ์ผุดพองแล้วพวกท่านทั้งหลายควรจะไม่ควรจะใช้นะหลวงพ่อบอกกล่าวเอาไว้นะเพราะว่าการห้ามท่านนี้ถึงจะห้ามแต่ว่าพวกท่านยังไม่เชื่อ มันก็หลบๆซ่อนๆอีกอย่างเก่าเพราะนั้นหลวงพ่อเองจึงได้บอกกับพระเอาไว้เหมือนกันพราะเราไม่ได้ติดต่อกับใครแต่จะจะติดต่อก็มีมีช่องทางมีโทรศัพท์ในวัดของเราใครๆก็มีคนวัดที่มาเกี่ยวข้องเราจะขอโทรกับเขาได้ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าเพราะเป็นส่วนตัวแล้วหลวงพ่อว่าจะไม่เป็นผลดีสาหรับพวกพระใหม่นะ อันนี้ก็ขอบอกกล่าวเอาไว้นะพันถูกพันหลานทั้งหลายแล้วก็พร้อมกันนี้ก็ตอนนี้ไปก็ให้คณะศรัทธาญาติโยมเตรียมน้ําอุทิศส่วนกุศลเนอะอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวพระใหม่ก็เหมือนการให้เตรียมน้ำยังจะจับต่อๆกันได้อุทิศส่วนกุศลในใจใครในใจเราอุทิศส่วนกุศลถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายวงศาคณะญาติญาติพิษสหายเจ้า ก, กรรมในเวร ถ้าว่าสิงสถิตยอยู่นัถินใดตกทุกข์ใดยากก็ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขจริงๆขึ้นไปต่อ น, นี้ไปคณะสงฆ์จะอนุโมทนาให้พร